เด็ดถึงเมืองอารวีชาวเมืองอารวีดีใจชวนกันอารัธนาพระองค์และถวายทานอย่างมโหฬารยิ่งเมื่อสวยเสร็จแล้วพระองค์ทรงอนุโมทนาปฏิสังยุตด้วยมรณสติกถาว่าดูก่อนชาวเมืองอารวีทั้งหลายชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนเราทั้งหลายจะต้องตายเป็นแน่แท้ ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งชีวิตทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุดจบลงด้วยความตายท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติภาวนาดังนี้เถิดเพราะบุคคลที่ไม่เคยเจริญมรณสติภาวนาเมื่อถึงมรณะสมัยย่อมถึงความสะดุง้งหวาดกลัวปานประหนึ่งได้เห็นอสรพิษอันมีพิษร้าย ส่วนบุคคลผู้ได้เจริญมนาสติกภาวนาอยู่เสมอย่อมไม่กลัวไม่สะดุ้งเมื่อความตายใกล้เข้ามาอายุของมนุษย์นี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมราระภพถึงควรรีบทำกุศลรีบประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นเป็นอันไม่มีผู้ที่อยู่ได้นานก็เพียงร้อยปี หรือที่เกินร้อยปีไปก็น้อยคนนักอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีมีปัญญาพึงดูหมิ่นอายุนั้นคือไม่ควรภูมิใจเพลินใจในอายุว่ามีมากพึงรีบประพฤติความดีเสมือนบุคคลผู้อันไฟติดทั่วแล้วที่ศีรษะรีบจับที่ด้วยพลันเรื่องความตายจะไม่มาถึงนั้น เป็นอันไม่มีบุคคลใดเจริญมรสติว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราอยู่มาได้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยที่อันตรายแห่งชีวิตไม่เข้ามาตัดรอนได้นนระหว่างดังนี้ด้วยเหตุนี้เราจึงควรใส่ใจคําสอนของพระผู้มีพระภาคการเจริญมรรสตินั้นทําทุกวันทุกครึ่งวัน ช่วโมงก็น้อยไปความจริงมราษตคิคนบุคคลวรทำทุกลมหายใจเข้าและออกอย่างนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทประชาชนชาวอารวีนั้นส่วนมากเมื่อฟังพระธรรมเทศนาอนุโมทนาจบแล้วก็รีบกลับไปเพราะเป็นผู้ที่ขวนขวายในกิจุระของตน แต่ว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งเป็นธิดานายช่างหูมีอายุประมาณสิ1ห้าสิกปีคิดว่าโอ้พระดำรัสของพระพุทธเจ้าช่างอัศจรรย์จริงหนอเราควรเจริญมรณสติอย่างที่พระองค์ตรัสสอนคิดดังนี้แล้วจึงเจริญมรณสติทั้งกลางวันและกลางคืนบุคคลผู้มีอุปนิสัยในทางธรรม เมื่อได้ฟังธรรมแม้เพียงครั้งเดียวก็มีใจดื่มด่ำอยากทำตามส่วนผู้ไม่มีอุปนิสัยแม้ฟังแล้วฟังอีกอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีธรรมแต่กระแสธรรมก็หาได้ซึมซาบไม่หากเขาไม่ข่มใจให้สนใจสิบ้างในครั้งแรกๆอุปนิสัยก็จะไม่เกิดขึ้นและคงจะเป็นอยู่เชนั้นเรื่อยไปเพราะผู้มีพระภาคเสด็จออกจากเมืองอรารวี แล้วเสด็จไปสู่เมืองสาวัตถีประทับอยูห่หน้าวัดเฉตวรรณส่วนกุมาริกาธิดาคุณนายช่างหูหลังจากที่ได้ดฟังพระธรรมเทศนาอันสัพ ย, ยุด้วยมรรสติภาวนาแล้วก็ลองทำดูก็เห็นผลว่าทำให้จิตใจสงบไม่กลัวตายมีสติสังเวชและญาณ น, นางจึงบำเพ็ญติดต่อกันเป็นเวลาสามปี และได้เห็นผลดีขึ้นตามลำดับตามลาดับเช้าวันหนึ่งพระาศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกตามพุทธประเพณีตรงเห็นกูมาริกาทิดาแห่งนายช่างหูชาวเมืองอาราวีได้เข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์พระองค์ทรงพิจารณาต่อไปอีกก็ทรงทราบว่าตั้งแต่วันทิทิดาของนายช่างหูฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้ว ก็เจริญมรสติอยู่นานถึงสามปีเธอมีอุปนิสัยควรแก่โสดาปฏิพลทรงดำริต่อไปว่าเราควรไปในที่นั้นแล้วถามปัญหาสีข้อแก่นางนางจัดดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลแ ล, แล้วพระผู้มีพระภาคมีพระภิสูงสูงนับร้อยเป็นบริวาร เสด็จไปสู่เมืองอาราวีประทับอยู่นักอัคคารววิหารชาวเมืองอาราวีพูดกันว่าพระศาสดาเ ส, สด็จมาแล้วจึงพากันไปสู่วิหารนั้นแม้ธิดาแห่งนายช่างหูกได้ฟังการมาของพระศาสดาแล้วคิดว่าบิดาของเรามาแล้วพระองค์ทรงเป็นอาจารย์ของเราด้วยพระองค์ทรงพระนามว่าโคตมักพุทธะ ผู้มีพระพักตร์เปล่งปลั่งเบิกบานประดุจดวงจันทร์เป็นเวลาถึงสามปีแล้วที่เราไม่ได้เห็นพระาศาสดาผู้มีพระชวีดุจไร้ด้วยทองวันนี้แหละเราจะได้เห็นพระองค์และได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ไพเราะจับใจยิ่งบังเอิญบิดาของนางกําลังจะไปโรคทอผ้าได้สั่งนางไว้ในเวลานั้นว่าลูกรัก พ่อรับทอภาคของลูกค้าคนหนึ่งไว้กำลังทอค้างอยู่พอดีได้หมดให้ลูกช่วยกรอได้ให้พ่อด้วยเพราะจะต้องให้เสร็จในวันนี้กุมาริกาคิดว่าเราประสงค์จะไปฟังธรรมของพระาศาสดาแต่ว่าบิดาสั่งให้กรอได้เราจะทำอย่างไรดีจะกรอได้ให้บิดาหรือว่าจะไปฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคหากว่าเราทิ้งงานของบิดาไปฟังธรรม ท่านอาจจะโบยหรือตีเราเพราะฉะนั้นเราควรกรอได้ให้เสร็จเสียก่อนแล้วไปสั่งทมทีหลังคิดดังนี้แล้วนางจึงนั่งกรอได้ยอยู่บนเตียงน้อยแต่ว่าจิตใจของนางนั้นพะวงอยู่แตกการเข้าไปเฝ้าประาศาสดาตลอดเวลาชาวอารวีอังคาดประทาคขเจ้าด้วยขาธิยะโภชนิยาหาอันประเสริฐแล้วรับบาดของพระองค์ และยืนเฝ้าอยู่เพื่อรับการอนุโมทนาพระจอมุนีไม่เห็นกุมาริกาที่ดานายช่างหูจึงทรงดำริว่าเราเดินทางมาถึงสามสิบโยเพื่อโปรดที่ดานายช่างหูแต่ว่าบัดนี้นางยังไม่มีโอกาสมาหาเราเมื่อนางมาแล้วเราจึงค่อยทำอนุโมทนาทรงดำริชนีแล้วจึงทรงดุษณนีอยู่ เมื่อพระศาสดาสงนิ่งใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ไม่อาจจะให้พระองค์ตรัสได้พุทธบริษัททุกคนจึงเงียบหมดบรรยากาศอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลานานจนกระทั่งธิดาของนายช่างหูกลอได้เสร็จแล้วเก็บใส่ไว้ในกระเช้าแล้วเรีกมาสู่สำนักของพระศาสดานางยืนอยู่ตอนท้ายของพุทธบริษัทจื่มองดูพระศาสดาอยู่ แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงชะเง้อพระสอมองดูนางเหมือนกันทิดานายช่างหูกเป็นคนฉลาดเมื่อเห็นพระอาการเช่นนั้นก็ทราบว่าพระศาสดาคงรอการมาของตนมิฉะนั้นแล้วฉะไหนเล่าพระองค์จึงทรงชะเง้ออยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทมากมายนางจึงวางของที่ติดมือมาคือกระเช้าได้หลอดเข้าไปสู่ที่ใกล้ของพระผู้มีพระภาค เหตุไฉนพระาศาสดาจึงทรงกระทำเชนั้นเพราะพระมหากรุณาพระองค์ทรงดาริว่าการตายของกุทุชนนั้นมีคติไม่แน่นอนทิดาช่างหูกมาสู่สานักของพระองค์แล้วเมื่อได้ตรัสถามปัญหาสีข้อนางจะได้บรรลุโสดาปันติผลและมีคติที่แน่นอนไม่ตกตามอีกเลยและนางจะต้องตายในวันนั้นไม่สามารถหลีกพ้นได้ ดูเถิดพระมหากรุณาของพระตถาคตเจ้านางเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาด้วยสัญญาณที่พระองค์ทรงมองดูนั้นถวายบังคมแล้วยืนจุพระาศาสดาตรัสถามนางว่าดูก่อนคุ ม, มาริกาเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข่านางทูนตอบเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าข่า เธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าข่าเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าข่าพระผู้มีประภาคได้ตรัสถามปัญหาสีข้อแก่นางด้วยประการาชนีมหาชนซึ่งประชุมกันอยู่หน้าที่นั้นได้ฟังแล้วก็พากันตําหนิกว่าดูเถิดท่านทั้งหลายที่ดาช่างหู ก, กล้ากล่าวเล่นลิ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหในป่านี้ ก็เมื่อพระองค์ตรัสถามแล้วตอบเสด็จตามความเป็นจริงไม่ได้หรือว่ามาจากเรือนของนายช่างหูกผู้เป็นบิดาและจะไปสู่โรงทอผ้าพระธากขเจ้าทรงทราบเรื่องที่มหาชนตำหนินางเช่นั้นแล้วจึงตรัสถามว่าที่เธอบอกดูก่อนคุมาริกาเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข่านางทูลตอบเธอจะไปไหน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 มหาชนคิดว่าเธอเล่นลิ้นความจริงคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ภาษาโลกแต่สื่อภาษาธรรมนางก็ใช้ภาษาโลกแต่สื่อภาษาธรรมคนในโลกจึงฟังไม่รู้เรื่อง เพราะว่าพูดกันคนละมิติผมถึงบอกว่าโลกนี้เนี่ยมันคู่ขนานท่านพูดสิ่งที่อยู่ในคู่ขนานแต่ว่าอาศัยภาษาที่อยู่บนโลกพร้อมถามว่าเธอมาจากไหนที่ดาจะกรบูกตอบไม่ทราบพระเจ้าค่ะ เธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจคะเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าคะเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจคะพระพุทธเจ้ากล่าวสาทุการทุกคําที่เธอตอบแต่คนไม่รู้เรื่องเลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาสีข้อแก่นางด้วยประการศนี้ มหาชนซึ่งประชุมกันอยู่น้าที่นั้นได้ฟังแล้วก็พากันตัมหนิกว่าดูเถิดท่านทั้งหลายทิดาช่างหูกล้ากล่าวเล่นลิ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นป่านี้ก็เมื่อพระองค์ตรัสถามแล้วตอบเสร็จตามความเป็นจริงไม่ได้หรือว่ามาจากเรือนของนายช่างหูผู้เป็นบิดาและจะไปสู่โรงท่อผ้า พระตถาคตเจ้าทรงทราบเรื่องที่มหาชนตำหนินางเช่นั้นแล้วจึงตรัสถามว่าที่เธอบอกว่าไม่ทราบว่ามาจากไหนนั้นหมายความว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าทราบดีว่ามาจากเกลื่อนของนายช่างหูแต่ไม่ทราบว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ข้าพระพุทธเจ้ามาจากกําเนิดใจเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงทูลว่าไม่ทราบ เมื่อเราถามว่าเธอจะไปไหนทำไมเธอจึงบอกว่าไม่ทราบข้าพระองค์ทราบว่าจะไปสู่โรงทอผ้าแต่ข้าพระองค์ไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อสิ้นชีพจักชาตินี้แล้วจะไปเกิดในที่ใดจะถือกำเนิดเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือเทพเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึง่งเมื่อเราถามว่าไม่ทราบหรือ เธอตอบว่าทราบหมายความว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์ทราบว่าข้าพระองค์จะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อเราถามว่าเธอทราบหรือเหตุไนเธอตอบว่าไม่ทราบข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าจะตายวันไดจะตายเวลาใดและจะตายที่ไหน ฟังก็จะคล้ายๆกับการใช้วูหารนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆเป็นจิตที่อยู่อีกชั้นหนึ่งมันคล้ายๆน้ํากับน้ํามันนะสองชั้นเนี่ยมันคู่กันขนานกันไม่ปนกันผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็แล้วกันนะมีครั้งหนึ่งที่ ผมนั่งรถไปกับหลวงพ่อเยี่ยนที่ท่านจะมาพรุ่งนี้ในระหว่างที่เรากําลังนั่งรถไปด้วยกันตอนนั้นท่านไปดูพระที่แกะสลักที่จะเอาไปใช้ที่ที่จะเอาไปที่พัทลุงเป็นพระประธานระหว่างที่นั่งรถไปท่านก็นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างท่านอยู่ข้างหลังแล้วผมเป็นคนขับ ท่านก็พูดขึ้นมาว่าคนเดี๋ยวนี้มันขี่วัวไปหาหวัวผมขับอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคุณพัดน์นั่งอยู่ข้างๆผมก็ตอบผมก็พูดับผมก็พูดต่อขึ้นมาว่าครับคนเดี๋ยวนี้เขาใช้จิตสแสวงหาจิต หลวงพ่อก็พูดต่อไปอืมไม่ใช่หรอกคนเดี๋ยวนี้มันขี่ควายไปหาหวัวผมขับผมก็พูดต่อไปต่อกท่านว่าครับหลวงพ่อวัวมันโง่จนมันนึกว่ามันเป็นควายหลวงพ่อก็บอกว่าอืมทํายังไงควายมันถึงจะรู้มันไม่ใช่ควายมันเป็นวัว ผมขับรถต่อไปผมก็บอกว่าเราก็ทำกันเต็มที่แล้วหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าของที่มันตามหาติดอยู่ที่หน้าผาของมันเองบทสนทนานก็เงียบไปจนก็ต้งไปถึงปลายทาง คุณพัฒน์ที่นั่งข้างๆผมเขาก็รีบเข้ามาถามว่าพี่พูดอะไรกับหลวงพ่ออะไรวัวๆวคายควมองไปข้างนอกไม่เห็นมีเลยพูดไปพูดมาพี่รู้ไหมว่ามันมีควายโผล่ขึ้นมาอีกตัวในรถไม่รู้เรื่องเลยแล้วสองคนพูดกันรู้เรื่องได้ยังไง ไม่มีบทสนทนาไม่มีการนาไม่มีการเกินต่างคนก็ต่างพูดกันละคำสองคาแล้วต่างคนก็ต่างหยุดแล้วก็ไม่สรุปไม่อะไรแล้วต่างคนก็ต่างเงียบมันแปลว่าอะไรก็บอกว่าลองไปถามหลวงพ่อเดียบอกใครจะไปกล้าถามาเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแล้วลองไปถามหลวงพ่อเองแล้วกันหลวงพ่อบอกว่าคนเนี่ย ขี่วัวไปหาวัวหมายถึงว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนวัวแสวงหานิพพานก็เลยขี่วัวไปตามหานิพพานแต่ท่านอุปมาว่าคนกำลังขี่วัวไปหาตัวเองมันจะไปก็ของที่มันหาก็คือวัวนั่นแหละมันขี่วัวไปหาวัวแล้วมันจะเจอวัวไหมเราก็วัวมันอยู่ที่ตรงนั้นน่ะ มันก็เดินหาวัวอยู่นั่นแหะตัวมันอะวัวมันยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นวัวก็เลยบอกว่าใช่ครับคนเดี๋ยวนี้ใช้จิตสแสวงหาจิตแล้วมันจะเจอจิตไหมเนี่ยเหมือนกันโอ้เหรอแล้วพี่รู้ได้หมดอย่าถามในเรื่องพวกนี้แล้วทําไมหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่มันขี่ควายไปหาวัวล่ะ ว, วันนี้หนักกว่าเดิม ไอ้วัวหาวัวเนี่ยก็โง่แล้วนะตอนนี้วัวนึกว่ามันเป็นควายแล้วมันขี่ไปหวาวัวตัวมันเหล่าวัวแต่มันนึกว่ามันเป็นควายมันโง่หนักกว่าเดิมอีกเหรอก็ <c oughs> <c oughs> เราทํากันเต็มที่แล้วก็คือเราก็พยายามจะช่วยกันอยู่และที่ท่านบอกว่ามไม่ใช่หรอก ของที่มันกำลังจะหามันแปะอยู่ที่หน้าผากมันเองไอ้นี่ยิ่งหนักก็ใหี่ใหญ่วัวมันยังไม่รู้มันเป็นวัวแล้วมันก็ไปหาวัวถ้าหาเจอมันก็หาวัวก็หาไม่เจออีกเพราะของที่มันหาอยู่ที่หน้าผากมันเองก็คือพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ละอยู่ที่ทุกๆคนแต่ว่าเราสร้า ง, ส, งสิ่งหนึ่งก็คือการปรุงแต่งขึ้นมาปิดผังทั้งหมด เราก็เลยไม่เห็นเลยทั้งๆ ท, ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาความสงบเย็นก็อยู่ในใจของทุกคนแต่กลับสร้างสิ่งขึ้นมาปิดบังมันหมดเลยแล้ววันนี้มานั่งวิ่งหานิพพานอะไรก็แค่เอาการปรุงแต่งที่บังมันออกก็พบพระนิพพานแล้วหาที่ไหนอะ ฟังอะไรที่ไม่รู้เรื่องมันหรือไม่รู้เรื่องอยู่แล้วลองนั่งสมาธิฟังกันเลยแต่อย่าอยู่กับสมาธิไม่ต้องรู้ลมนะครับฟังนะครับยิ่งไม่รู้เรื่อ ง, องไงจิตคือพุทธะ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 เราจัหลนไปสู่ความผิดพลาดทันทีสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับของว่างอันปราศจากขอบทุกๆด้านซึ่งไม่อาจยั่งหรือวัดได้จิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุท ธ, ธไม่มีแตกต่างระหว่างพุท ธ, ธกับสัตว์โลกทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นต่อรูปธรรมต่างๆเสีย เพราะเหตุนั้นเขาจึงแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกการแสวงหาของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองทําให้เขาพลาดจากพุทธภาวะการทําสิ่งนี้เท่ากับการใช้สิ่งซึ่งเป็นพุทธให้เที่ยวแสวงหาพุทธและการใช้จิตให้เที่ยวจับฉวยจิตแม้ว่าเขาเหล่านั้น จะพยายามถึงสุดความสามารถของเขาอยู่ตั้งกับหนึ่งเต็มเขาก็จะไม่สามารถลุกถึงพุทธภาวะได้เลยเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเองเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งและหมดความกระวนกระวายเพราะการสแสวงหาเสียเท่านั้นพุทธะก็จะปรากฏตรงหน้าเขา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 สำหรับการบำเพ็ญปารมิตาทั้งหกกดีการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติที่คล้ายๆกันอีกเป็นจิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุท ธ, ธไม่มีพุท ธ, ธะอื่นใดที่ไหนอีกไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีกมันแจมจ้าและไร้ตำหนิเช่นเดียวกับความว่าง คือมันไม่มีรูปร่างและปรากฏการใดๆเลยการใช้จิตของเราปรงแต่งคิดฝันไปต่างๆนั้นเท่ากับเราลักอิงเนื้อหาอันเป็นสาระเสียและไปผูกพันตัวเองอยู่กับรูปธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกพุทธะซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ใช่พุทธะของความยึดมั่นถือมั่น เคยคิดจะเปิดคอสคอสหนึ่งชื่อจิตคือพุท ธ, ธถ้ามันจะอธิบายได้ยังไงลองดูสื่อช่วยแล้วเราต้องแยกรูปถอดด้วยวิชามากคจิตเหตุต้องละผลต้องหลักใ้นี่ก็หมดผ้นเหตุเกิด สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปกับน้ำสองอย่างเท่านั้นน้ำเดิมก็คือความว่างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดเหตุก่อที่ใดมีรูปที่นั้นต้องมีนม้ำที่ใดมีนม้ำที่นั้น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 ที่ปราศจากรูปนี้เป็นจุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปนามนี่แหละจุดสุดยอดของการหลอกลวงนะต้นเหตุเกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุเกิดรูปนามพิภพต่างๆตลอดดวงดาวอันนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดรูปนามพิภพต่างๆ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 จิตเคลื่อนไหวจะเกิดกรรมขยับนิดนึงก็เกิดกรรมกับการเวลาทำไมถึงต้องให้รู้ลมให้มันกลับไปหยุดอยู่ที่ฐานเพราะนิพนพานจิตจะไม่ขยับถ้าเซนคุยกันก็จะบอกว่า ครั้งหนึ่งผมสนทนากับหลวงพ่อก็เล่าอะไรท่านฟัง่อ า, อางนีดดีกว่าฟังคำท่านดีกว่าท่านก็พูดขึ้นมาว่าแข็งเป็นศิลาไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังทูกอย่า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 และปราศจากสัมมาทิฏฐิพวกเราต้องทําความเข้าใจอย่างกระจางแจ้งเห็นไหมครับที่สุดปราศจากสัมมาทิฏฐิในพระหันจึงเลยไปถึงสัมมาญาณนะเป็นญาณที่ถูกต้องเป็นญาณทัศนาที่ถูกต้องเพราะได้วางสัมมาทิฏฐิลงแล้วเข้าสู่วิมุตติญาณทัศนะ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 กระบวนการทั้งหมดก็ต้องผ่านอ น, นิจจังทุกขังแล้วก็เห็นอนัตตาวันนี้การปฏิบัติทั้งหมดทำยังไงก็ได้ถ้าจะพูดกันแบบไม่ง่ายทำยังไงก็ได้ให้เห็นไตรลักษณ์เริ่มจากอ น, นิจจังพอเห็นอ น, นิจจังจะเข้าใจว่าสภาพสรรพสิ่งเป็นทุกข์ ยิ่งเข้าไปยึดถือสิ่งที่เป็นทุกข์ยิ่งทุกข์เมื่อเข้าไปยึดถือก็เป็นทุกข์หลังจากนั้นจะค่อยๆเห็นความจริงนี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราผมบอกให้ท่านลองดูนะเก็บไว้เป็นแง่มหมูมองสุดยอดของการปฏิบัติทั้งหมด <c oughs> อยู่แค่คำคำเดียวอะไรไม่ใช่ของเราอย่าเอามาเป็นของเราแล้วสุดท้ายท่านจะพบความจริงอย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่จิตเมื่อปล่อยวางได้ทุกอย่างจะหลุดหมดเคยมีคนนิมนต์ หลวงปู่ขาวอนันโยขึ้นธรรมาทหลวงปู่ขาวขึ้นไปก็พูดว่าอะไรไม่ใช่ของเราไม่เอาแล้วลงเลยพูดแค่นี้จบเพราะว่าสุดยอดของกระบีมีอยู่แค่นี้ทุกวันนี้ที่เราเวียนไหยตายเกิดแล้วก็ทุกเพราะเรายึดทุกอย่าง เริ่มต้นจากยึดจิตมาเป็นของเราเมื่อจิตโง่ยึด ต, ตัวเองเป็นของเรามันจึงยึดขันห้าเป็นของเราเมื่อยึดขันห้าเป็นของเราอะไรที่ขันห้าไปเกี่ยวข้องด้วยรูปเมียสามีภรรยาพ่อแม่มันก็ยึดมาเป็นของเราเหนียวแน่นหลังจากนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องต่อไปมันยึดทุกอย่างกระทบ ก, กระทบไปเรื่อยๆแม้แต่ประเทศนี้โลกนี้จักรวาล น, นี้มันก็ยึดเป็นของมันหมดผมมกักจะยกตัวอย่าง ให้เห็นถึงโมบายโมบายที่เขาห้อยเพดานที่มันมีหลายหายชั้นแล้วก็ไปยึดติดกับฟ้าชั้นแรกก็มีโมบายห้าอันแล้วโมบายชั้นที่ชั้นที่สองก็ห้อยชั้นที่สาก็มีหอยหอยหอยหอยหอยชั้นที่สามก็ห้อยชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ก็ห้อยชั้นที่ห้ามันติดติดติ ด, ต ด, ต ด, ต ด, ตดขึ้นไปหมด วันนี้การปฏิบัติธรรมของเราครูบาอาจารย์มักจะบอกให้ปลดอันแรกที่โมบายแล้วมันจะล่วงลงมาทั้งพวงนั่นคือจัดการกับเหตุเกิดทั้งหมดแต่วันนี้การปฏิบัติทั้งหมดเนื่องจากอินจีของคนไม่แพกไม่ไม่เพียงพอจึงต้องค่อยๆปลดหอยอันที่ห้าในแถวที่ห้าก่อนทีนี้ก่อนจะปลด คนก็ยังลังเลมานั่งเช็ดหอยอีกต้องเช็ดให้สะอาดก่อนแล้วค่อยทิ้งมันก็ค่อยๆปลดไปทีละหอยละหอยไม่ปลดเป็นชั้นด้วยเพราะมันเหนียวหนึบไปหมดนะครับอะไรก็เอาอะไรก็จะเอาอันนี้นี่ก็จะเอาไว้อันนี้ก็จะเอาไว้ ไ, ไ, วไม่ต้องมากเลยถ้าท่านกลับไปคิดว่าอยากจะบริจาคชุดให้คนยากจนลองลื้เสื้อผ้าออกมาจากตู้สิท่านจะพบความจริงว่าท่านส่งกลับเข้าไปเกือบเก้าสิบเปอร์ซ็นต พ็จะหยิบจะเริ่มมีเมมโมรี่คายออกมาอือเอาไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนอตัวนี้ไว้ก่อน <laughs> ไว้ก่อนทั้งนั้นเลย <laughs> สุดท้ายเหลือไม่กี่ตัวแบบท่าขี้เล้วจริงๆถึงแจกมันหนึบหนับไปหมดนะให้อะไรก็ให้ไม่ออกทำอะไรก็ทำไม่ได้เดินก็เดินไม่ไปธรรมะรู้หมด เข้าสไตล์รู้หมดอดไม่ได้จริงๆแต่เอาละก็นะ เ, เป็นกําลังใจกันลุยไปเรื่อยลนะ่มะมันจะหนึบมันจะหนับก็เดินกันไปเรื่อยเนะี่ยมันจะโคลนมันจะอะไรก็เดินกันไปเรื่อยไม่ห่วงไม่มีปัญหาโอ้โหเปิดผิดเปล่าเนี่ยอมังสวิรัตอันนี้ไก่เจไก่เจมั้ หนังมันเช่ส้มตานี่ก็ไม่รู้เจหรือเปล่าต้องดูชัดๆก่อนยิงชัดก็ไปอีกนะกลิ่นเกินออกเลยตอนนี้ผู้หญิงแต่ร้านนี้เขาจะเป็นประเภทเปรี้ยวนำเอาละน้ำลายสอละหมอจุม่มน้ำลายเริ่มสอละแต่ร้านนี้ก็เปรี้ยวนำกลิ่นออกเลยนะกลิ่นออกละ อ่นะนะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนที่ผมเปิดคอสยุวณิขมมะเนี่ยเด็กอายุสิบสี่ถึงสิบหกผมก็เปิดนี้ให้ดูเหมือนกันตอนผมเปิดรูปแรกเนี่ยเด็กร้องหือ <c oughs> <c oughs> ในขนาดปฏิบัติธรรมอยู่นะ <c oughs> เด็กๆเนี่ยร้องหื้อเลยอะ่ะเพราะว่าก็อดมาหลายวันแล้วนะร้องหื้อเลยผมก็เลยจูงมือเด็กคนหนึ่งมาแล้วก็มาที่จอเด็กก็เขินๆ ถามว่าหนูอยากกินไหมล่ะอยากกินกินแล้วจับเลยอืเขาก็รู้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้เราก็รู้ก็พาจูงมือเดิน่ะแล้วอยู่บนเวทีเนะี่ยบนจอที่ตึกโน้นะบอกรูปเลยเขาก็รูยเดี๋ยวมือเปื่อนมันไก่เดี๋ยวมือเปื่อนมันไก่อผมก็ยกอ่า มันไม่ใช่นะมันเป็นรูปออแต่น้ำลายไหลนะขนาดรู้แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าครูปิดรูปนะแล้วเดี๋ยวให้โย้พูดไปซื้อไก่ย่างห้าดาวจริงๆมาเลยจานใหญ่ๆเป็นใส่ถาดเดี๋ยวมากินกันแล้วก็มาตั้งตั้งตรงนี้น้ำลายไหลไหมครับไหลอ๋ออันนี้ของจริงพอของจริงน้ำลายไหลดูไม่ค่อยแปลก ทีนี้พอเอาของจริงมาตั้งน้ำลายไหลเพราะของปลอมขึ้นจอมันชักเอะใจเฮ้ยทำไมของปลอมก็น้ำลายไหลวะเออเอาละสิทีนี้มันชักคลิกอะไรบางอย่างนะใช่ไอ้ตอนเห็นทีแรกบอกส้มตำมีมะนาวนำมีอะไร อ, ะอืมนะ แต่พอบอกว่าเออปิดแล้วเอาของจริงมาตั้งก็เริ่มนึกภาพว่าเออถ้ามีของจริงมาตั้งจริงๆเนี่ยเรานำานำายหลายอยากกินเนี่ยเออมันคงไม่แปลกนะเพราะมันเป็นของจริงๆเนี่ะมันมีไก่จริงๆแต่ทีนี้พอขึ้นอีกทีอ่ะเอาของจริงไปเก็บเหลือแต่ของปลอมเฮ้ยก็ยังอยากกินแฮะตกลงมันต้องจริงหรือต้องปลอมไหมเนี่ย ทำไมของปลอมทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ไม่มีใครรู้ว่านี่ไม่ใช่จอทำไมมันจึงอยากกินเหมือนกันเลยผมบอกแล้วกิเลสเนี่ยระดับพการไม่มีแอบหอลอกหลอกกันตรงๆนี่แหละหลอกกันจ่องจงจับไม่มีได้แล้วครับระดับอวิชชาเนี่ ย, ยจับได้มันก็ไม่สน จับได้ก็าบอกเออมุลาดก็ไปดิหลอกคนอื่นต่อเพราะว่าหกเจ็ดพันล้านคนนี้สบายไม่มีใครสะกิดขึ้นมาเลยมองพระประธานครับเอาแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดโปองกิเลสหน่อยจะเอาให้หน้าม้านเลยกิเลสวานี่เอาให้โมหะอวิชชาเนี่ยหน้ามานเห็นพระประธานแล้วนะครับ เห็นแล้วถ้าสมมติว่าผมปิดห้องเสียงไม่ต้องปิดตามนะถ้าผมบอกให้ห้องเสียงปิดไฟให้หมดไ ม, ไม่ต้องปิดนะปุ๊บมบืดตึ๊ดเลยผมถามว่ายังเห็นพระประธานไหมครับไม่เห็นแต่พระประธานยังอยู่ที่นี่ถูกไหมครับถูกแสดงว่าการเห็นภาพของคน ไม่ได้ผิดจากที่ผู้เจ้าตรัสอายตนาภายนอกกระทบอายตนาภายในคือตารูปกระทบตามีจักขวิญญาณขึ้นมาแปลค่าตรงนี้เรียกว่าสามสูวนรวมกันเรียกว่าผัดสะผัดสะไม่ได้ต้องการของจริงๆเข้าไปนะผัดสะต้องการแค่แสงที่กระทบแล้วกระทบกลับเมื่อแสงกระทบวัตถุจะเป็นคลื่นแสง ไปกระทบดวงตาของท่านถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าเก่งทางเรื่องหมอเหมืออะไรเนี่ยนะภาพที่ท่านเห็นท่านรู้เลยว่าเป็นแค่ความถี่ของแสงเข้าไปกระทบในตาผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะแต่เอาเป็นว่าเราจะใช้ภาษาให้ตรงกันแล้วเข้าใจกันว่าภาพที่เข้าไปกระทบในกระจกตาของท่านเราเรียกว่านิมิตนะแสดงว่าขณะที่ท่านมองพระประธานเนี่ยที่ท่านเห็นเป็นพระประธาน มันคือแสงที่ไปกระทบเป็นภาพอย่างนี้เฉยๆถูกไหมครับแล้วท่านก็ไปแปลค่าว่านี่คือพระประธานโดยอาศัยจักขุวิญญาณเมื่อมีการกระทบจะมีสัญญาเข้ามาร่วมด้วยที่ผัสสะกระทบกุเจ้าตรัสว่าผัสสะสัญญาจะออกมาทางานตอนที่ผัสสะกระทบสัญญาจะออกมา ท, ทันทีแล้วก็เกิดการประมวลผลโดยวิญญาณแล้วก็รู้แจ้งเป็นอารมณ์ หลังจากนั้นท่านจะเห็นประมวลภาพออกมาอย่างรวดเร็วเร็วกว่าเสี้ยววินาทีคือพระประธานตีข้าวมาได้เลยตกลงเมื่อกลับมาดูไก่ท่านเห็นนิมิตของภาพไก่ถูกไหมครับที่อยู่ในตาถ้าผมเอาไก่ตัวจริงมาตั้งท่านก็เห็นนิมิตเหมือนกันถูกไหมครับจบล้แสดงว่าอารมณ์เกิดขึ้นแค่ แสงกระทบแล้วเราหลงเข้าไปยึดภาพที่อยู่ในลูกตาที่เรียกว่านิมิตเฉยๆของจริงอาจจะไม่จําเป็นก็ได้สําหรับการสร้างอารมณ์ดูตัวอย่างนี้ประกอบ This is the venue they chose for their fake auditions for an advert for lip balm. We're hoping that we can use part of this in a national commercial, right? And this is a test on some lip balms that we have over here. And these are our models who are going to help us, Roger and Matt. a n d we have uh, our own lip balm, and we have a leading brand. a เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นการทดสอบลิปบาล์มที่ห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งโดยใช้อาสาสมัครก็คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้ามาทดสอบลิปบาล์ม โดยมีในแบบสองคนจะเป็นผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทดสอบนี้นะครับแอั น, นี้ต้องแปล <c oughs> คุณจะมีปัญหาไหมถ้าคุณจะต้องจูบ ก, กับในแบบสองคน <c oughs> นี้คำตอบเธอไม่ได้ตอบเบี้ยแต่เธอ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 Now what I'm going to be looking for in this test mm -hmm. is um how sure works. Okay. the texture mm -hmm. right and maybe if you can discern any flavor or not. Okay. Have you ever done a kissing test before? <laughs> yes. so it okay. e a g i n Okay. I'm going to ask you to pucker up, pucker up big, and lean in just a little bit. Okay. okay. ดูลีลาการจูบของชิมเป็นซีซะก่อนนะผมถามว่าเธอกำลังจูบกับใครครับเธอกำลังจูบกับใครครับในแบบในแบบสุดหลอ่ออะไรที่ถูกสร้างขึ้นมาข้างใน น, นี่แหละ เมื่อสังขารปรุงแต่งขึ้นมาวิญญาณก็เกิดเป็นอารมณ์โลกไปนี้ต้องการของจริงเหรอตอนนี้คุณผู้หญิงหลายคนกำลังจูบกับลิงอยู่ด้วย ท่านกำลังสร้างลิงขึ้นในใจจนท่านรู้สึกจักกระดือจักกระดือที่แท้ท่านเองก็สร้างลิงขึ้นมาเหมือนกันถ้าความรู้สึกของท่านกำลังเปลี่ยนไปจากอุเบกขาท่านกำลังโดนมาเล่นเหมือนกันนักภาวนาต้องเห็นขนาดนี้นะครับถ้าท่านเปลี่ยนไปจากอุเบกขาให้รู้เลยว่าท่านโดนโมหะข้างหนท่านเล่นล่ะท่านจึงมีความรู้สึกเออแสดงว่าท่านกาลัง จุบกับลิงที่อยู่ในใจท่านเหมือนกันเห็นไหมครับโดนเหมือนกันไม่ใช่โดนแต่บนจอผมถึงบอกกีเลสนะไม่ใช่ของเล่น ถ้าผมถ้าเกิดคนจัดงานไม่เปิดผ้าแล้วเปลี่ยนเอาลิงออกอไนแบบกลับมานั่งผู้หญิงที่ไปจูบ ก, กับลิงเนี่ยจะนอนฝันหวานไปอีกหลายอาทิตย์เล ย, เ, ยเรียซากเลยละ่ะเรียซากไม่หยุดเลยลนี่แหละมันร้ายจริงๆ ร, ร้ายจริงๆ ไม่ธรรมดาถ้าท่านเข้าใจสภาพอย่างนี้เอางี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งท่านจะพอจะจินตนาการออกผมไปบรรยายที่จีรังจีรังสปาที่เชียงใหม่ก็ เ, เป็นน้องชายของคุณอนุรุตนายกยุพุทธที่ดีะ่ะท่านดูแลอยู่ที่มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมซึ่ง สถานที่สวยมากนะครับอยู่บนยอดเขาวิวเดียวกับโฟล์ซีซั่นเลยสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายครั้งเดี๋ยวก็มีโ ค, ครงการต่อไปลงไปเปิดดวในเว็บก็แล้วกันทีนี้แน่นอนที่สุดไปถึงที่ของเขาน่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจีรังสปา่าอาจารย์เราได้จัดคอร์สให้อาจารย์แล้ว เป็นการนวดเอาเป็นไปไรได้นวดก็ไปถึงก็จัดห้องปั๊บเข้าใจจัดจริงจรงจิตวเนียคงคัดมาเลยแหะก็มีคนที่ทำการนวดมันจะเรียกหมอนวดก็คนที่ทำการนวดก็มา ก็มีสองเตียงอยู่ในห้องนังอีกเตียงหนึ่งก็เป็นคนสูงอายุนิดหนึ่งที่นวดเตียงผมก็เข้าใจจัดจริงๆอ่ะจัดสม่าซ่าสาวใชนะหลังจากนั้นเขาก็ปิดตา <c oughs> แล้วก็เริ่มนวดดับมันก็ตามที่เราเคยไปนวดกันแหละสปาตามที่ต่างๆโรงแรมอะไรทันทีที่เขาปิดตาแล้วเขาก็นวดปั๊บเนี่ย ผมเริ่มเห็นอะไรบางอย่างว่าตอนนั้นผมยังไม่เคยดูไอ้คลิปลิงเชนซิมบซีเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเขาเปลี่ยนเอาคนแก่มานวดผมมันก็เป็นแค่โหดทพะคือการสัมผัสเท่านั้นเองส่วนที่เกินขึ้นมาเนี่ยคือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยถ้าหากผมนอนแล้วผม เกิดไปปรุงแต่งถึงผู้หญิงสวยที่กำลังนวดผมเนี่ยมันจึงเกิดเป็นอารมณ์ผมเห็นแล้วว่าโอ้โหอวิชชามันทำงานแสบจริงๆนลยเนี่ยคนทั่วไปที่รู้ไม่ทันก็จะมีอารมณ์เคลิบเคลิ้มกับสาวงามที่กำลังนวดในขณะนั้นผมนึกเลยว่าถ้าเขาเปลี่ยนเอาคนแก่มานวดผมผมก็เลยนึกถึงว่าเอ้นี่ท่า เขามีผู้หญิงสวยสักคนเดียวนะแล้วพอเริ่มปิดตาปั๊บเขาก็เปลี่ยนเอาคนแก่มานวดแล้วผู้หญิงสวยก็ไปห้องอื่นเป็นคนปิดตาให้เขาปิดตาเสร็จก็เอาเอาป้าในโรงครัวมาเริ่มบีบเลยแล้วเธอก็ไปอีกห้องนึ่งแล้วก็ทาเป็นอ น, นุนเอ็นี่แล้วก็ปิดตาปั๊บไปห้องเลยผมว่าโอ้โหจ้างคนสวยคนเดียวนะเนี่ย เหมือนกันเลยผมไม่เคยเห็นคลิปเนี่ยมีโยคยีส่งมาให้ผมหลังจากฟังผมเล่าเรื่องเนี้เขาเห็นคลิปนี้ก็เลยส่งมาให้ทีมงานนี่แหละทีมงานมุ้ยแหละส่งมาไม่ธรรมดานะแล้วผมจะบอกให้ว่าคุณผู้หญิงโดนอะไรสมมติว่ากระเป๋านี้เป็นกระเป๋าหลุยวิตตองนะ อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เวลาท่านเห็นกระเป๋าหรือวิตตองเนี่ยขณะที่สัมผัสผัสสะกระทบปั้งมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากได้เพราะการให้ค่าให้นึกถึงภาพว่าถ้าท่านเห็นกระเป๋าร้อยเก้าเก้า ท่านเห็นก็ถ้าจะซื้อก็คือซื้อมาเอาไว้ใส่ของแต่พอเห็นหลุยวิตตองท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องใส่ของท่านคิดถึงเรื่องของความคือมันกลายเป็นตันหาอยากได้ทันทีที่ท่านเห็นหลุยวิตตองผมถามว่าหลุยวิตตองเข้าไปอยู่ในตาหรือเปล่าไม่ใช่ท่านเห็นนิมิตถูกไหะ เห็นแสงของหลวงวิตตองนะเห็นแสงนะเห็นแสงที่กระทบหลวงวิทตองเข้าตานะครับแล้วไอ้จิตโง่เนี่ยพอแปลค่าเสร็จมันสร้างค่าโดยมีสังขารการปรุงแต่งเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะไปรู้อีกทีตอนเช้าพรุ่งนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับแต่วิ่งนาไปก่อนเอาตัวอย่างนำไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวพอไปถึงปฏิจจสมุปบาท้วจะง่ายขึ้น ตกลงที่เรากำลังยืนอยู่หน้าวินโดว์ของหลุยวิตตองนี่คือการสร้างค่าสร้างภาพคล้ายๆกับผู้หญิงที่สร้างภาพผู้ชายขึ้นมาแทนจิบเบิซีจริงๆผู้หญิงจูบกับลิงเนี่ยแค่สัมผัสถูกปากถูกไหมครับแล้วความจริงแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีการปรุงแต่งขึ้นมาบทบงังความจริงผู้หญิงควรจะรู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายปากไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไงที่มันจูบเข้าไปขนาดนี้แต่นี่ด้วยความที่สังขารการปรุงแต่งที่เขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดมันจึงนึกอะไรไม่ออกเลยนอกจากว่าชายรูปหล่อชายหนุ่มรูปหล่อคนนั้นสังเกตไหมว่าตอนที่ท่านชอบหรือว่ากาลังจีบกับ แฟนของท่านก่อนที่จะมาแต่งงานหรือแต่สมมติถ้าคนยังไม่แต่งงานก็ขอโทษทีนะไม่เกี่ยวคือจะรู้สึกว่าอะไรอะไรเขาก็ดีไปหมดจนกระทั่งไปแต่งงานแล้วเธอทํำไมอย่า ง, ง น, นั้นเธอทำไมเขาบอกเขาไม่เคยเปลี่ยนเธอเปลี่ยนไปเธอฉันไม่เคยเปลี่ยนแต่ที่คุณมองไม่เห็นตอนนั้นเพราะว่าความรักมันบดบังไปหมดอะไรอะไรก็ยอมอะไรอะไรก็ใช่มันจึงมองไม่เห็นความจริง แต่พอสิ่งเหล่านี้ศรัท ธ, ธาทั้งหมดมันลดลงเนี่ยเขาเหมือน <c oughs> ความรักความรักกับความศรัท ธ, ธานะเมื่อศรัท ธ, ธาในตัวเขามันลดลงเนี่ยมันก็เห็นความจริงหมดทั้งๆ ท, ที่มันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยกลับเห็นหมดเลยโอ้โอโอไอน้นกอมัยดีไอ้ที่กไมัดีไอ้นนท์กอมัดีทั้ทงๆ ท, ที่ก่อนแต่งเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่เรากําลังสร้างขึ้นมาตอนเนี้มันเป็นของหลอกๆเหมือนที่สร้างขึ้นมาในผู้หญิง มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาว่ากระเป๋าเนี่ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นลิมิเอ็ดดิชั่นนะสามหมื่นสี่หมืนห้าหมืนก็ยอมจ่ายพอเข้าไปในร้านนะครับจากภาพที่เห็นเป็นนิมิตเฉยๆนะที่หลงนิมิตเนี่ยนะท่านเริ่มได้สัมผัสถูกไหมครับท่านเริ่มจับผมถามว่าท่านจับอะไรท่านกจับกระเป๋าหรือวิตตองไม่ใช่หรอก ตรงเนี้ยที่เราถูกหลอกที่พระเจ้าตัดว่าเราถูกรูปเขี้ยวกินไม่เข้าใจสัมผัสที่เรียกว่าโภภพธพภะเนี่ยเนี่ยสัมผัสเนี่ยสัมผัสเอามือขวาจับมือซ้ายหน่อยครับทุกคนเลยครับผมถามแล้วตอบผมตรงๆเลยนะครับว่ามีอารมณ์ไหม มีอารมณ์ไหมถ้าเปลี่ยนอาชายหนุ่มสองคนนั้นเดินมาข้างหลังแล้วรูปล่ะเออทำไมมีอ่ะผมไม่รูปไม่ต้องกลัวถ้าเดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีเลยแต่ทำไมจับรูปเองไม่มีอ่ะเออเพราะมันปรุงถ้าเปลี่ยนเป็นให้คุณผู้หญิงเกิด เาเกิดหมอจุ๋มปวดไะลรเนี่ยให้ผู้หญิงมานวดมอจุ๋มไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าเอาในแบบมานวดมอจุ๋มก็ไม่รู้สึก <laughs> ว่าหมอจุ๋มถึงแล้ว <laughs> นี่แหละมันหลอกกันต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันไม่ได้แอบหลอกทีนี้ถ้าเราเห็นเลยว่าเอ๊ะมือขวารูปมือซ้ายเนี่ยนะสัมผัสใหม่ แล้วกลับไปนึกถึงคำผู้เจ้าใหม่ว่าอ๋อสภาพนี้แค่เนี้ยที่เรียกว่าโผดถับพระเกินจากนี้เนี่ยเลยแล้วสภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งมันอยู่แค่เนี้ยถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งมารูปแต่คุณเข้าใจธรรมะหมดแล้วเนี่ยเข้าถึงกิเลสทาลายอาวิชชาแล้วเนี่ยจะกี่ผู้ชายจะกี่รูปหลอมามันไม่ปรุงจับคุณก็เหมือนกับมือขวาจับมือซ้ายเนี่ยนึกออกไหมครับ นึกออกหรือยังว่าทำไมโสเพนีถึงลูกพระโมคคัลลนะไม่ขึ้นเลยท่านไม่ปรุงแล้วท่านจัด ก, การหมดแล้วมีผู้นำองค์กรพุทธคนหนึ่งถามคำถามผมว่าถ้าอริยะบุคคล อยู่กับผู้หญิงสาวงามสวยมากอาจารย์คิดว่าท่านทั้งหลายจะทนไหวไหมผมก็ตอบตรงๆว่าถ้าทนคงไม่ไหวเข้าใจผมตอบแล้วถ้าทนคงไม่ไหว แต่ถ้าของจริงมันไม่มีอะไรต้องทนนี่ก็คุณเอามือขวามาจับมือซ้ายคุณต้องทนไหมล่ะแต่ถ้าตอนนี้เอาในแบบมาลูบแล้วก็ต้องบอกว่าทำให้เฉยๆนะไอยอย่างนี้ทนเพระนิลพานไม่ได้ทนไม่ได้อดทนไม่ต้องฝืนไม่ต้องทำอะไรได้แต่เห็นแล้วก็เฮ้ยโทษ น, นะเอามือออกเลยว่า ขยะขแขยงรูปอยู่ได้ท่านถึงได้ใส่เลยไงกระท่อมคือร่างกายร้อยรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นเลยโดนจะหนักเลยยัยนั่นนะก็ท่านไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมาทำอะไรจะจะมาทาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโอโหอย่านะเธอไม่อย่างเงี้ยทนถ้าถ้ายืกันไปยืกันมาอย่างเงี้ยทนเดี๋ยวก็โดนจนได้นะไอ้ทนเนะ่เดี๋ยวดโดนจนได้หลุดจนได้ แต่ถ้าไม่ทนก็ไม่มีอะไรเห็นแจ้งหมดแล้วรู้แจ้งแล้วนี่ไงแล้วผมก็ถึงเตือนคุณผู้หญิงทั้งหลายบอกว่าผู้ที่ถึงตรงนี้เนี่ยมีพรานาคามีกับพระอาราหันท์ที่ละรูปได้หมดแล้วรูปป ร, ราคะละหมดแล้วรูปให้ตายก็ไม่ขึ้นแต่ขอประทานโทษระวังระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าบุคคลสองประเภทนี้ก็คงมีไม่เยอะเห็นใจบ้างนะครับเห็นใจบ้าง เอานะวันนี้เข้าไปลึกเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเห็นไปเห็นเห็นมาเห็นไปบ้างแล้วเดี๋ยวพวกนี้จะชี้ให้เห็นวงจรปฏิจจสมุปบาทแล้วจะเห็นเลยว่าผมทั้งบอกนะการปฏิบัติธรรมจะว่ายากไม่ยากใช้คาความเพียรดีกว่า คนส่วนใหญ่เพียนแล้วหยุดเพียนแล้วหยุดแต่ถ้าเพียนไม่หยุดผมว่าก็พระหัานสาวกทั้งหลายหรือว่าผู้ที่เดินทางกันทุกองค์ทุกองค์ ก, ง ก, งก็ให้กำลังใจกันมาตลอดอย่าหยุดนะอย่าหยุดต้องการคนจริงแต่เหมือนกับคำถามเล่นๆง่ายๆที่สมัยก่อน ผมจำได้ตอนเป็นนักธุรกิจเขาก็ชอบถามกันแบบกำคำถามนักธุรกิจว่าถ้าให้เลือกพนัก ง, งานสองคนที่จะเข้ามาทํางานในบริษัทมีคนอยู่สี่ประเภทจะเลือกคนไหนหนึ่งคือฉลาดแล้วก็ขยันสองฉลาดแต่ขี้เกียจสามโง่แล้วขยันสี่โง่แล้วก็ขี้เกียจให้เลือกเอาสองคนจะเลือกคนไหน แน่ๆคนแรกต้องเลือกฉลาดและขยันแน่ๆทีนี้ปัญหาก็คือคนที่สองจะเลือกใครระหว่างฉลาดแต่ขี้เกียจกับโง่และขยันท่านจะเลือกใครครับฉลาดแต่ขี้เกียจโง่และขยันโอ้เห็นไหมผู้ชายจะเลือกฉลาดแต่ขี้เกียจแต่ผู้หญิงจะเลือกโง่และขยันอือคงไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมเนี่ย แสดงว่าคำถามที่จ้องใส่ถามพวกนักธุรกิจเพราะว่าคำตอบของนักธุรกิจก็จะตอบว่าคนที่สองต้องเลือกฉลาดแต่ขี้เกียจหึทำไมอะ่ะโง่แล้วขยันเนี่ยน่ากลัว <c oughs> โง่เนี่ยมันมีแต่ทาปนปี้แล้วถ้ามันขยันด้วยนะ่ะยุ่งกันใหญ่เลย <c oughs> ตามแก้กันไม่ทันเลยแล้วกันบริษัทว่าปนแน่ ถ้างโง่แล้วขยันเข้ามาเนี่ยคือตามร้านตามเช็ดไม่ไหวอะ่ะจนบางคนบอกนะโง่แล้วขี้เกียจยังดีกว่า <c ười> คือมันไม่สร้างปัญหามากยังน้อยผลงานเท่ากับศูนย์แต่ไอโง่แล้วขยันเนี่ยนะติดลบนะยิ่งมันขยันมากบริษัทยิ่งติดลบ <c ười> มันทำอะไรเป็นผิดไปหมดส่วนฉลาดแล้วขยนัน่ะ เอาออกไปเลยกันไปเลยอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วแต่ฉลาดแล้วขี้เกียจเนี่ยมีบวกอาจจะบวกไม่เยอะพอนึกออกทั้งคำเพราะฉะนั้นอย่างโง่แล้วขยนันมีปัญญาแล้วขยนันแล้วไปไกลวันนี้ปัญญาคืออะไรปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นสัมมาทิฏฐิแล้วจะเกิดปัญญา เพราะฉันปัญญาในทางธรรมเนี่ยก็คือเรารู้แล้วอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุที่เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นหนทางนี่แหละปัญญาเพราะฉะ น, นั้นปัญญาในทางธรรมก็อาจจะไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะจากนั้นก็คอยระวังคอยเฝ้าสังเกตเอาละเดี๋ยวเราเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ท่านออกไปผ่อนคลายนะ่ยมาสองชั่วโมงแล้ว สงชั่วโมงแล้วเนีนอ๋อแต่ท่านมาเดินจงกลมนั่งสมาธิก่อนแล้วเดี๋ยวเรามามรักองค์ที่หกเจ็ดแปดให้จบเลยคืนนี้เราจะได้มาพูดสรุปรอบรวบแล้วก็ไปให้ถึงธรรมจักเพราะสู่สำสำคัญสาคัญดัง น, นั้นนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าจะค่อยๆเริ่มต้นที่ปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านจะเห็นหมดเลยเห็นหมดแล้วทีนี้เปิดโลกกันให้หมดนะครับเชิญนะครับ